พิยปรารถนาสูตรว่าด้วยความปรารถนาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราย์ที่ราชผู้ได้รับมรรธาพิเศษแล้วทรงประกอบด้วยองค์หประการย่อมปรารถนาความเป็นอุปราชองค์ห้าประการอะไรบ้างคือพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธ์ราชผู้ได้รับมรรธาพิเศษแล้วในโลกนี้หนึ่ง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 เป็นที่รักเป็นที่พอใจของกองทัพ 5. เป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันได้พระราชโอรสพระองค์นั้นมีดำริอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีชาติดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระปิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตาหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล ฉไนเราจะไม่ปราถนาเป็นอุปราชเล่าเราเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนักฉไนเราจะไม่ปราถนาเป็นอุปราชเล่าเราเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของประมาณดาและพระปิดาฉไนเราจะไม่ปราถนาเป็นอุปราชเล่าเราเป็นที่รักเป็นที่พอใจแห่งกองทัพฉไนเราจะไม่ปราถนาเป็นอุปราชเล่า เราเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ฉนันเราจะไม่ปราถนาความเป็นอุปราชเล่าภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธิที่ราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แล่ย่อมปราถนาความเป็นอุปราชฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการ ก็ปรารถนาความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นผหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปทานสี่ เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศมนธรรมละถึงไม่ทอดทุระในกุศมนธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีศีลละถึงสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย ฉนยเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้หูสสตทรงสุตตะสังสมสุตะละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิฉนัยเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่ฉนัยเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้ปรารบความเพียเพื่อละอกุศลธรรมละถึง ไม่ทอดทุระในคุณสมธรรมทั้งหลายอยู่ฉนัยเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้มีปัญญาละถึงให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบฉไหนเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมปรารถนาความสิ้นอาสวะทุติยะปัทนาสู่ที่6จบ เจ็อปังสุปฏิสูตว่าด้วยคนหลับน้อยตื่นมากภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้หลับน้อยตื่นมากในราตรีบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. สตรีหลับน้อยตื่นมากเพราะประสงค์บุรุษ 2. บุรุษหลับน้อยตื่นมากเพราะประสงค์สตรี 3. โจนหลับน้อยตื่นมากเพราะประสงค์จะลักทรัพย์ 4. พระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทรงหลับน้อยตื่นมาก 5. ภิกษุผู้มุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชนหลับน้อยตื่นมากภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้แลหลับน้อยตื่นมากในราตรีอัปปังสุปฏิสูตทที่7จบ พระธกสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นกินจุภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นช้างกินจุขวางที่ขี้เรี่ราดพอเถอเป็นเครื่องหมายได้ว่าช้างนับว่าเป็นช้างต้นองค์ห้าประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาในโลกนี้หนึ่งเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูป 2. เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียง 3. เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรถ 5. เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโผฏฐพะภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แหลเป็นช้างกินจุขวางที่ขี้เรี่ยราดพอเถอเป็นเครื่องหมายได้ว่าช้างนับว่าเป็นช้างต้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ฉันจุขวางที่ย่ายีเตียงตังพอเถอเป็นเครื่องหมายได้ว่าภิกษุนับว่าเป็นภิกษุธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูป 2. เป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้มีอดทนต่อรถ 5. เป็นผู้มีอดทนต่อโผฏฐพะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้ฉันจุขวางที่ย่ายีเตียงตังพอเถอเป็นเครื่องหมายได้ว่าภิกษุนับว่าเป็นภิกษุภัตตาทะกะสูตรที่8จบ ขมะสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่ไม่อดทนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นช้างไม่ควรแก่พระราชาไม่ควรเป็นช้างต้นไม่นับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์ห้าประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาหนึ่งเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปสองเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียง 3. เป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่นสเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรถหเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโทัพพะช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วเห็นกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถหรือกองทัพคนเดินเท้าว่าหยุดนิ่งวันไว ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปเป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียงเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วได้ยินเสียงกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าหรือเสียงกลองบันดะสังมโหระทึกที่กระหึ่ม ก็หยุดนิ่งวันไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียงเป็นอย่างนี้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วได้กลิ่นมูดและคู่ของช้างพระราชาฝ่ายข้าศึกที่ใหญ่กว่าซึ่งเข้ามาสู่สมรภูมิก็หยุดนิ่งวันไว้ ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรถเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วไม่ได้กินอาหารเพียงหนึ่งคืนสองคืนสามคืนสี่คืนหรือห้าคืนก็หยุดนิ่งหวันไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรถเป็นอย่างนี้แหละช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโผธพะเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วถูกเขายิงด้วยลูกศรหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหรือห้าครั้งแล้วก็หยุดนิ่งวันไวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อโผฏฐะเป็นอย่างนี้แลพิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้เป็นช้างไม่ควรแก่พระราชาไม่ควรเป็นช้างต้นไม่นับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ชั้นใดพิกษุทั้งหลายพิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ชั้นนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายไม่ควรแก่ของต้อนรับ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 ภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วกำหนัดในรูปที่เป็นเหตุให้กำหนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อรูปเป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อเสียงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรมนนนธรมวินัยนี้ฟังเสียงทางหูแล้วกำหนัดในเสียงที่เป็นเหตุให้กำหนัด ไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ดมกลิ่นทางจมูกแล้วกำนัดในกลิ่นที่เป็นเหตุให้กำนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างนี้แลภิกษุ เป็นผู้มีอดทนต่อรสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ลิ้มรสทางลิ้นแล้วกำนัดในรสที่เป็นเหตุให้กำนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปเป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อผลทพะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกต้องผลพะทางกายแล้ว กำนัดในโผฏฐะที่เป็นเหตุให้กำนัดไม่สามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อโผฏฐะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการ น, นี้แลเป็นผู้ไม่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายไม่ควรแก่ของต้อนรับไม่ควรแก่ทักษินาไม่ควรแก่การทำอัญเชลีไม่เป็นนาบุนอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลาย ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์หประการเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์หประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาหนึ่งเป็นสัตว์อดทนต่อรูป 2. เป็นสัตว์อดทนต่อเสียง 3. เป็นสัตว์อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นสัตว์อดทนต่อรส 5. เป็นสัตว์อดทนต่อผลทพะ ช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อรูปเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วเห็นกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถหรือกองทัพพลเดินเท้าก็ไม่หยุดนิ่งไม่หวั่นไหวสามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อรูปเป็นอย่างนี้แหละช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อเสียงเป็นอย่างไร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 คือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วได้กลิ่นมูดและคูดของช้างพระราชาฝ่ายข้าศึกที่ใหญ่กว่าซึ่งเข้ามาสู่สมรภูมิก็ไม่หยุดนิ่งไม่วันไว้สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อกลิน่นเป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อรถเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ เข้าสู่สมรภูมิแล้วไม่ได้กินอาหารแม้เพียงหนึ่งคืนสองคืนสามคืนสี่คืนหรือห้าคืนก็ไม่หยุดนิ่งไม่วันไหวสามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อรถเป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อโผฏฐะเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้ว ถูกเขายิงด้วยลูกศรหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหรือห้าครั้งก็ไม่หยุดนิ่งไม่หว่นไหวสามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนต่อโผฏฐะเป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์หประการ น, นี้แหลเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย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 4. เป็นผู้อดทนต่อรถ 5. เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐพภะภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปที่เป็นเหตุให้กำหนดสามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังเสียงทางหูแล้วไม่กำนัดในเสียงที่เป็นเหตุให้กำนัดสามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ดมกลิ่นทางจมูกแล้วไม่กำนัดในกลิ่นที่เป็นเหตุให้กำนัดสามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุ เป็นผู้อดทนต่อกลิ่นเป็นอย่างนี้ แ, แลภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ลิ้มรสทางลิ้นแล้วไม่กำนัดในรสที่เป็นเหตุให้กำนัดสามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้อดทนต่อผลธพะเป็นอย่างไรคือภิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกต้องโผฏพะทางกายแล้วไม่กำหนัดในโผฏพะที่เป็นเหตุให้กำหนัดสามารถตั้งจิตไว้โดยชอบได้ภิกษุเป็นผู้อดทนต่อโผฏพะเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหละย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก อัคมะสูตรที่เก้าจบสิบโสตสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่เชื่อฟังภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการ เป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องห้าประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาในโลกนี้หนึ่งเป็นสัตว์เชื่อฟังสองเป็นสัตว์ฆ่าได้สเป็นสัตว์รักษาได้สเป็นสัตว์อดทนได้หเป็นสัตว์ไปได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างไร คือช้างของพระราชาในโลกนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยหูฟังเหตุการณ์ที่ควาช้างให้ทำคือเหตุการณ์ที่เคยทำหรือไม่เคยทำช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แหละช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วฆ่าช้างบ้างฆ่าควานช้างบ้างฆ่าม้าบ้าง ฆ่าคนขี่มาบ้างทำลายรถบ้างฆ่าพลรถบ้างฆ่าพลเดินเท้าบ้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วรักษากายส่วนหน้ารักษากายส่วนหลังรักษาเท้าหน้ารักษาเท้ า, าหลังรักษาศรีรษะ รักษาหูรักษางารักษางวงรักษาหางรักษาควานช้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้เป็นอย่างนี้แหละช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วอดทนต่อการประหารด้วยหอกดาบลูกศรเงาเสียงกลองบันดะสัง และมโหระทึกที่กระหึมช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้เป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ไปสู่ทิศที่ควานช้างสายไปคือทิศที่เคยไปหรือทิศที่ยังไม่เคยไปได้โดยเร็วพลันช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แหลเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ชันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบนอันยอดเยี่ยมของโลก ทำห้ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้เชื่อฟัง 2. เป็นผู้ฆ่าได้สเป็นผู้รักษาได้สเป็นผู้อดทนได้ 5. เป็นผู้ไปได้ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยบโสดับธรรม ในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวิในที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปละถึงไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้น ไม่รับบาปอากุสนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อความสำรวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องปถะพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงามได้จึงรักษามนณีนสีถึงความสำรวมในมนณีนสีภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างนี้แหละภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายอดทนต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อคลานทั้งหลายรบกวน อดทนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในะร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไป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 ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโซตะสูตรที่10บจบราชวัชที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวคนี้คือ 1. ปึมมปฐมจาักรกานุวัตนะสูตร 2. ทุติยะจาักกานุวัตนะสูตร 3. ธรรมราชาสูตร 4. ยัสสังที่สังสูตรห ปฐมปัฒนาสูตรหกทุติยปัฒนาสูตรเจ็ดอปังสุปฏิสูตรแปดพัตตาทกะสูตรเก้าอัคคะสูตรสิบโสตสูตร ติกันต ก, กีวักหมวดว่าด้วยป่าติกันตะ ก, กีหนึ่งอวัชานาติสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ให้แล้วดูหมิน่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลให้แล้วดูหมิน่นสองบุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกัน 3. บุคคลผู้เชื่อ ง, ง่าย 4. บุคคลผู้โลเล 5. บุคคลผู้เคลาหลงงมงายบุคคลให้แล้วดูหมิ่นเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้ให้จีวรบินทบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศร บ, บริการแก่บุคคลใดเขาคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับให้แล้วดูหมิ่นบุคคลนั้น บุคคลให้แล้วด so ูหมิ่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลเป็นเวลาสองปีหรือสามปีดูหมิ่นผู้นั้นเพราะอยู่ร่วมกันบุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นอยู่ ก็น้อมใจเชื่อโดยพลันทีเดียวบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้โลเลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาน้อยมีความพักดีน้อยมีความรักน้อยมีความเลื่อมใสน้อยบุคคลผู้โลเลเป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้เเขวลงงมงายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรมไม่รู้ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวและธรรมที่ประณีตไม่รู้ธรรมดาและธรรมขาวบุคคลผู้เขาหลงงมงายเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอวชานาติสูตรที่หนึ่งจบ 2. อาราพติสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ต้องอาบัตภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตมีวิปติสารความร้อนใจและไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง 2. บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตแต่ไม่มีวิปติสารไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง 3. บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ไม่ต้องอาบัตแต่มีวิปติสารและไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง 4. บุคคลบางคนในธรรมวินัย น, นี้ไม่ต้องอาบัตและไม่มีวิปติสารแต่ไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง 4. บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ไม่ต้องอาบัติไม่มีวิปัิสาร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 พึง <P le> เป็นผู้ควรถูกกล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดเพราะความการต้องอาบัตของท่านยังมีอยู่อาสวะที่เกิดเพราะวิปติสารของท่านยังเจริญอยู่ขอท่านจงละอาสวะที่เกิดและการต้องอาบาัตจงบรรเทาอาสวะที่เกิดเพราะวิปติสารแล้วจึงเจริญจิตและปัญญาเพราะการเจริญอย่างนี้ท่านก็จเป็นผู้ทัดเทียมกับบุคคลจำพวกที่ห้าโน้น บุคคลใดต้องอาบัติแต่ไม่มีวิปติสารไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุคคลนั้นพึงเป็นผู้ควรถูกกล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าอาสะวะที่เกิดเพราะการต้องอาบัติของท่านยังมีอยู่อาสะวะที่เกิดเพราะวิปติสารของท่านไม่เจริญขอท่านจงละอาสะวะที่เกิดเพราะการต้องอาบัต แล้วจึงเจริญจิตและปัญญาเพราะการเจริญอย่างนี้ท่านก็จะเป็นผู้ทัดเทียมกับบุคคลจำพวกที่ห้าโ น, น้นบุคคลใดไม่ต้องอาบัตแต่มีวิปติสารและไม่รู้ชัดเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุคคลนั้นพึงเป็นผู้ควรถูกกล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่า อาสวะที่เกิดเพราะการต้องอาบัตของท่านไม่มีแต่อาสวะที่เกิดเพราะวิปติสารของท่านยังเจริญอยู่ขอท่านจงบรรเทาอาสวะที่เกิดเพราะวิปติสารแล้วจึงเจริญจิตและปัญญาเพราะการเจริญอย่างนี้ท่านก็จะเป็นผู้ทัดเทียมกับบุคคลจำพวกที่หโานนบุคคลใดไม่ต้องอาบัตและไม่มีวิปติสารแต่ไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้แหลถูกตักเตือนพร่ำสอนโดยเทียบกับบุคคลจำพวกที่ห้านอนอย่างนี้ย่อมบรรลุความสิ้นอาสวะโดยลำดับอารพภัติสูตรที่สองจบ สาสารันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สารันทเจดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตะคารสาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณหรอพระองค์ นั่งประชุมกันอยู่ที่ส า, ารันทเจดีได้สนทนากันว่าความปรากฏแห่งแก้ว5 nah? ประการ ห, ไ า, า, ร า, หาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งช้างแก้วหาได้ยากในโลก 2. ความปรากฏแห่งม้าแก้วหาได้ยากในโลก 3. ความปรากฏแห่งมณีแก้วหาได้ยากในโลกส ความปรากฏแห่งนางแก้วหาได้ยากในโลก 5. ความปรากฏแห่งข้าบดีแก้วหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้หาได้ยากในโลกครั้งนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้สรงคนไปคอยดักทางโดยรับสั่งว่าพ่อผู้เจริญเมื่อท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเพิ่งมาบอกแก่พวกเรา บุรุษนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วทูลว่าขอเดชะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกําลังเสด็จมาพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงทราบกําหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดลําดับนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาลขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จเข้าไปยังสารันทะเจดีเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพแล้วได้เสด็จเข้าไปยังสารันทะเจดีประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามเจ้าริชวีเหล่านั้นว่า เจ้าลิชวีทั้งหลายเวลานี้พวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้เจ้าลิชวีเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู่ณที่นี้ได้สนทนากันว่าความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความปรากฏแห่งช้างแก้วหาได้ยากในโลก 2. ความปรากฏแห่งม้าแก้วหาได้ยากในโลก 3. ความปรากฏแห่งมณีแก้วหาได้ยากในโลก 4. ความปรากฏแห่งนางแก้วหาได้ยากในโลก 5. ความปรากฏแห่งข้าพระดีแก้วหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้ว5้าประการนี้หาได้ยากในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายเป็นผู้มุ่งกามจริงหนอสนทนากันแต่เรื่องการเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแกห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2.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 ตกตัญญูกตเเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้แหลหาได้ยากในโลกสารันทสูตรที่สจบ